เราเสด็ตวนตอนเช้าปลุกเสดตัวเองไม่ใช่ว่าเสร็วนเพื่อเป็นวิธีเอาบุญดลบุศลนันอื่นต้องเป็นเรื่องของเราเรูปไม่เที่ยงจิดลงไปเอตนาไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตน เอธนาไม่ใช่ตัวตนสัญญามไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเสกลงปลรูปเกิดขึ้นทุกโอกาสให้เราได้เห็นเอちなาเกิดขึ้นทุกโอกาสให้เราได้เห็นสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นในตัวเรานี่ยจะให้หลัว่าให้หลงเป็นว่าเป็นตัวเป็นตน ถ้ามาเป็นสุขเป็ทุกข์ก็ลูกเพราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นขันธ์ที่มีอยู่ในลูกมันเป็นเวทเป็นน้ำที่มีอยู่ในลูกแต่ขันธ์มันเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเราไปยึดว่าเราพอเป็นทุกข์เป็นโทษมาเป็นตัวเป็นตนเราไปยึดว่าตัวเราก็ต้องเป็นการเกิดเกลียเจ็บตาย เกิดดับเกิดดับเป็นพบเป็นชาติอยู่ที่นี่เสกลงไ ป, ปรูปไม่เที่ยงวิถธนาไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นทีไรแล้วก็เอามาใช้เพื่อใเป็นมากเป็นผลถ้ารูปมันเกิดขึ้นแถวใดที่เป็นมันแสดงออกรูปไม่เที่ยงหนทางไปสู่มรรคสุผล ก็ารูปสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับรูปมาเป็นจบเป็นทุกข์ทางไปสู่ความเกิดแก่เกิบตายเราจะเลือกเอาอย่างนี้หรือจะเลือกอย่างไงตรงนี้เป็นทางอย่าหลงตรงนี้ทางก็คือตรงนี้หัดเดินทางแบบนี้ทางกี่วิญญาณจะไมหัดเดินตรงนี้ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราที่มีรูปมีนามมานี่ ทางเดินของรูปที่มันผิดทางเดินของรูปที่มันถูกในขันห่านี่ไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนไปกราบไปไวหว้ไปเอาอะไรมาเป็นบุญเป็นกุศลบุญเป็นกุศลต้องเอาเอาให้เกิดจากที่นี่เกิดจากหายจากใจเกิดจากรูปจากนามนี่ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปลูกเจติเองมีสติไปในกายอยู่เป็นประจอมเบอร์จะได้เป็นพลระรเป็นกำลังให้ได้เห็นรูปว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆก็เห็นมีสติรู้สึกที่กายอะไรเกิดขึ้นที่กายรู้สึกตัว ก็ไม่ต้องไปถึงว่าไปหลงที่ลูกมันเป็นความชำนาญไว้ตั้งแต่ที่แรกนจบไปจากที่แรกแล้วมีสติภายในกายชินที่เกิดขึ้นกายเป็นจักตว่าอาการธรรมชาติเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆมีสติปายในกา ย, ยก็เห็นจิตที่มันคิดก็ให้รู้จึกตัว ความคิดก็เป็นรูปที่มันเกิดขึ้นมาความคิด่ะเป็นรูปเป็นอุปทานยาลูกยืดความคิดว่เป็นสุขเป็นทุกข์นความโกรธโลภหลวงอ่านเรียกว่าอุปทายรลูกเป็นรูปปลอมๆเราเห็นรูปอาการที่เกิดขึ้นกับรูป เป็นอาการความคิดเกิดขึ้นจากจิตใจเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสุขเปทุกข์เความคิดให้มีสติดับต้นตบไฟเสียเดื่อนต้นลมแล้วก็มาไปถึงความเกิดเจริบตายได้ นิสติไปในกายอี่เป็นประจ้าเห้เราก็มีอาชีพเรื่องนี้พวกเราเป็นอาชีวิตนะปวดอาชีพสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตชีวิตเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตได้มายืนเดินนั่งนอนได้ชีวิตที่เดินไปสู่ความไม่เจอไม่เยบไม่ตายมันจึงเป็นชีวิต ไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอวันตายมันเจ็บก็เป็นความเจ็บความทุกข์กเป็นความทุกข์รอวันตายมันคนป่วยที่รักษามไม่ได้แล้วรอวันตายอันนั้นมันมีค่าอะอันนี้มันป่วยทั้งจิตวิญญาณอะไรมาเป็นตัวเป็นตน ปุตตชนคือคนป่วยสุกเปนสุกทุกเป็นทุกเ น, นี่ยคือปุตตชนคือคนป่วยรักเป็นช่างเป็นดีใจเสียใจนี่คือคนป่วยถ้าป่วยแบบนี้ก็ต้องมีโรวันตายวันเจ็บวันตายถึงเขาเจ็บก็เจ็บถึงเขาตายก็เป็นทุกเจ็บก็เป็นทุกเก็บเป็นทุกตายเป็นทุก ถ้าเรายอมจำลองอย่างนี้จะมีค่าลายชีวิตเรามีวิธีปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนมีผู้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยได้หลุดพ้นละนิ่มาแล้วมากมายแลวเราก็มาสัมผัส ด, ดูไม่ต้องไุเชื่อใชยเวลาเรามีสติ อะไรเกิดขึ้นมาลู่สึกตัวอะไรแบ้งเกิดขึ้นขณะที่ลู่สึกตัวมันก็ไม่มีมันจบแล้วถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่หัดไปก็ใช่ไม่เป็นมันมาก่อนเข้าถึงก่อนเข้าถึงความสุขเข้าถึงความทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เสร็แล้วเพรไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลมันก็เลยแก้อะไรไม่ได้อวดเอาทนเอา เราบางคน ก, ก็อดเอาเวลามันคนกก็อดเอาเราบางคนเคยจิตเล์ตั้งหาก็อดเอาทนเอาบางทีก็ทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ชวนมากถ้ามันเข้าถึงตัวแล้วก็ทนได้ยากเหมือ น, น, นโลกไข่ไข่เจ็บเด็กก่อใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเจ็บไข้ได้ป่วย ในโลกทั้งตัวแล้วก็มีบุคคลที่นึงที่สองมีวัตถุที่นึงที่สองลขึ้นตัวอีกป้องกันดีกว่าแจ้งขายชีวิตเราก็เช่นกันหลัวความโลภความหลงความทุกข์ความทุข์ไม่ถูกไมู่กกังวลเศ้าหมองเป็นโลกโลกทั้งจิตวิญญาณ ถ้จิตวิญญาณมีโลกล้วก็ควบคุมทั้งหมดโูกก็เป็นโลกรูปโลกนามโลกเมื่อมีโลกรูปทุกข์น้ำทุกข์รูกความทุกข์อย่างออนแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วไปเลยถ้ามีโลกก็หลงเป็นหลงเลยวะ เป็นคนมีโรกแล้วทุกเป็นทุกเบอเป็นคนเป็นคนมีโลกแล้วใหเราไม่โลกแต่ น, นี้ไม่รักษาก็ออยอมรับอยู่ทุกโอกาสวันหนึ่งเกิดดับเกิดดับทุกข์เกอาสงไขทุกข์ลงกี่อาสงไขยหล ง, คนคนคนหลง ไม่ค่อยรู้จักยิ่งต้อนรับจิงเหล่านี้ด้วยก็มไม่หลงความทุกข์นีอยู่เมินเฉยปล่อยทิ้งไปไม่ต้อนรับเป็นผู้ปิดประตูผู้ปิดประตูเรื่องนี้ไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธต้องเปิดประตูต้อนรับ เราจะทำความเท็จความจริงความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงนี่คือสัจธรรมแต่ปู่ตูชนปิดประตูซะเป็นผู้ปิดประตูมาเช่าชาวพุทธบริษัทจริงตรงนี้ ไม่มีพิธีกรรมมัเดือนนอกจากปฏิบัติที่เป็นเท็จเป็นจริงสัมผัสเอาไม่ใช่จำเอาีสติมันเป็นการสัมผัสได้ทุกรสทุกชาติรู้จักเลือกทุกบททุกชาติถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ไว้เป็นเกิญ์ขี้วัดไว้จะเฉลยได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจ รสาสตีน้อยมันหลวงพ่อเทียนว่าแมวตัวน้อยก็จับหนูมาอยู่ทำบ้างไม่ทําบ้างแมวไม่โตสักทีมันเราเรียนหนังสือท่องบ้างทิ้งไปบ้างท่องไปบ้างทิ้งไปบ้างก็ไม่ติดสักทีเหรอจำไม่ได้สักที อันซีก็อยู่ในตำราหมดคืนใ้ตำราหมดเวลาจะรู้อะไรอ่านอลต้องไปอ่านเอาเปิดหขังสือเอาจานำมาใช้มาได้สำหรับจิตวิญญาณสำหรับใช้ความแจ่ความเจ็บค ว, ม, ควมตายจะไปทำแบบนั้นไม่ได้มาไม่มีตำราที่ไหนมนเกิดขึ้นมาเอง ในรูปก็มีในเวทนาก็มีในสัญญาก็มีในสังขารก็มีในวิญญาณก็มีซึ่งเป็นขันธ์หน้าที่มันอยู่กับรูปที่ว่ารูปนามรูปคือเป็นรูปที่เป็นรุ่นเป็นก้อนสัมผัสด้วยเมื่อด้วยตายได้จิบหายเพราะดินฟ้า อ, อากาศพอกอันเวลาลูกนี่ <c oughs> จิบหายไปตามการเวลา อันนี้ก็จิบหายไปแล้วลูกความเกือเท่านำเข้ามายั่งยืนส่วนเวทนานั่นมันไม่สัมผัสไม่ได้ไม่เห็นด้วยตาแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มีอยู่พลัง4 4่พลังสีสสงส่แรงงานกับแรงงานเดียวลูกเป็นส่วนเดียวส่วนเวทนานสัญญาสั่งขานวิญญาณ มันมากกว่ารูปมันก็รูมห่วรูปเป็นตัวเป็นตนของมันได้เบียดเบียนรูปได้เตือนความโกรธทำให้เบียดเบียนรูปได้รูปมันโกรธไม่เป็นความทุกข์ทำให้เกิดเบียดเบียนรูปได้รูปมันทุกข์ไม่เป็นพิามละความจางความไว้จบกับบนเส้าหมองมันเป็นเวทนามันเบียดเบียนรูป รูปก็สุดโสม ง, ง่ายเฮ้ยเกียนตายไปเลยถ้าเราไม่ฝึกสติเป็นพลังช่วยเหมือนกับโอสถดรักษาโลกจะหมือเกิดกับรูปกับไปทานาสัญญาสัญการปัญญาให้มันหายซะเหมือนพพุทธเจ้าได้ไประกาศว่าโลคยาบรลมาลาภาว่าไม่มีโลกเป็นลาบเป็นปะเสดนั่นคือโลกอย่างนี้ มีกันทุกคนเราจะไม่รักษาจะถนอมมันไว้หรือก็เป็นทุกข์เป็นโทษจเจ้ตัวเองสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นทำไม่ทุกข์แล้วผู้ที่เขารักษาสิ่งที่เราโกรธคนนื่นก็ไม่โกรธแล้วเพราะคนรักษาหายแล้วและสิ่งที่โกรธที่ทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นมันก็ไม่มี เราไปยืดเอาต่างหากเป็นอุปทานไปยืดเอาก็บอกว่าเจ้าบอกแล้วว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนยังลื้อไปยืดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนกูชอบกูไม่ชอบกูรักกูเกลียดกูโกรธกันกูเถอะข้าจะตติมันทำตามความไม่ใช่ตัวตนเสียเปียบควงชั่ว เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองเลยเสียใจที่ทำหลายผิดพลาดมาแต่ก่อนไม่รู้เบีดปวดบ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำไมอันอื่นเป็นทุกข์สิ่งอื่นเป็นทุกข์จบอยลมาก แต่คนอื่นถ้าเราเป็นทุกข์นั่นให้ปัจจีภาษาแล้วก็ <c oughs> งองตนแก้ไขตนอยู่เสมอส่วนคนอื่นจะแก้ไขได้ไม่ได้มันมันยากแต่แก้ไขตนเดนี่แก้ไขได้จะไปะเจี่นให้คนทั้งโลก ไม่เขาว่าเราไม่เขาทำลายเราเป็นไปไมนได้แต่เราต้องรักษาตัวเราให้ดีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของไ <c> ข <oughs> ของมันเราจะนีไม่พ้นอันเรื่องของโลกนั่นแต่เราจะอยู่เหนือโลกอันที่เราอยู่ในโลกนี้ ก็มีินทร์เขมีฉันร์เฉิญก็มีสุเขามีทุก์ก็ไม่ได้ไม่เสียแล้วก็จ้องดูเหนือมันอันสุกทุกเราไม่อยู่แล้วได้เสียเราไปอยู่แล้วอินทร์ฉัร์เฉิญเรามาอยู่ที่นั่นแล้วเราเห็นว่าเป็นรูปเมื่อชีวิตแบบนั้นเกิดขึ้นเรามัเกิดทุกข์กับเทือนกับชีวิตเราเพราะเราไม่มีตัวตนอยู่ในรูปแบบนั้น สิ้นฉากไปแล้วสิ้นภบสิ้นชากไปแล้ ว, ลวจิงสงควรที่จะเป็นมนุษย์ที่เกิดมามีค่าขึ้นมาแล้วก็มีอยู่จริงในการศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่สงูงหาวมันมีเกณฑ์ขี้วัดยุกมือขึ้นรู้จักตั ว, เ ว, ตวเวลามันชีกก่ขึ้นมารู้จักตัวเวลามันสก็รู้จักตัวเวลามันทุกข์รู้จักตัว เกิดเลยขึ้นรู้จักตัวรู้จักตัวดูเจยากเป็นง่ายหนักเป็นเบาถ้าเรามีความรู้จักตัวลงที่ความรู้จักตัวยวนชีวิตทั้งชีวิตมีสติตอา น, นั่นเองมีสติแล้วแล้วอยู่มีสติแล้วอยู่ พระพุทธเจ้าปฏิญญาแบบนี้ไม่ได้ปริญญาที่ต้นหลังหลังสองต้นที่มองสังอุจินาราสวนมันละกษัตรตานานเรนภาษาคนภาษาธรรมคื อ, อยู่ที่นี่มีจติแล้วละอยู่ เราสุขหือทุกข์เสียดายสุขไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่สติเข้าอยู่ที่ไหนสติเนี่ยหอ้ขคอกับผู้ที่เท่ยวเลยไม่ใช่เลยอยู่ที่ตัวเราเนี่ทำตามพู้เที่ยวสอนไว้เนี่ยนั่งกู้แขนเข้ารู้สึกเกีย่ยวฉันหนอรู้สึก นอนไม่ไดือชีวิตการงานก็ทุกข์ไปบอกไม้มฮะทีนี้บินทะบาร์ไกลนะนนต้องไปติดเช้าอันนี้ทำนำพาให้พูด <c oughs> ไม่ใช่จำใครมานะทำนำพาให้พูดให้พูดอย่างนี้ผิดถูกวังเอาทำดูอย่าไปเอาเหตุเอาผลจอกสงอง ว, วา่าคิดตัวเองพระเจ้าสอนกาลมะชนอย่าเชื่ออย่าเชื่อตอนนี้เป็นกุศลทำแล้วเป็นกุศล ไม่เปลี่ยนแปลนตรไม่เปลี่ยนแปลนคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยถ้าําสจริงแด่ลองไปเป็นการเปลี่ยนแปลเตนแล้วผินไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยตำบัณฑิตเขาตีเตือนผู้รู่ตีเตือนอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพวกกัลยาณมันเป็นตุ๊ก พ่อาจนสนใจวลาจะบทถูกกวักจารณอาธิกธ ก, ธ ก, กรรมพลมัคคิโคสอมาสอนเขาก็เป็นลูกศิของพวก น, นันเจ้ากะลัง ม, มชนหมู่บ้านกะลัง ม, มชนอ๋อพระเจ้าไว้ญญวไสอนอ๋อสอนแบบไหนลูกไม่เที่ยงเบินาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนหรือใจไม่เที่ยงจินั้นเป็นทุกข์ ใดเป็นทุกข์ฉันไม่ใช่ตัวตนไม่ถือว่าตัวว่าตนของเราก็ลเาผู้ชลองกัอยโอ้ยยากยากเลยอาจารย์นั่นก็สอนอย่างนั้นอาจารย์นี่ก็สอนอย่างนี้ไม่รู้างเชื่อใครเจ้าก็ตัดก็เรามาโฉดขึ้นมาเราได้สวดมนตจบลงไปนี่อ๋ออันนี้ก็จบกวอใจะเวลา